ย้อนมาหากล่าวถึงความผองแผ้วแห่งศีลต่อไปนะขึ้นหน้าสองร้อยเลยเนาะและเพื่อทราบการเห็นอนิสง์ในศีลสมบัติโดยอาการตรงกันข้ามจากอาการที่กล่าวแล้วเนี่ยนะเมื่อวานกล่าวถึงธรรมะฝ่ายดําว่าถ้าหาว่าผิดศีลผิดธรรมแล้วจะมีโทษอย่างไรเนี่ยนะพอรู้ว่ามีโทษอย่างไรแล้วก็ใน พลิกกลับตรงกันข้ามเนี่ยนะพลิกกลับตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละคืออันนี้สองของศีลเนี่ยนะทุกโทษเหล่าใดที่คนทูตศีลได้รับคนมีศีลก็จะไม่ได้รับทุกโทษภายเหล่านั้ น, น, นเลยอันหนึ่งศีลของภิกษุใดปราศจากมนทินด้วยดีการทรงบาทและจีวรของภิกษุนั้นเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสบรนประชาของภิกษุนั้นมีผลเนี่ยนะ ใจของภิกษุผู้มีศีลหมดจดย่อมไม่ยั่งลงสู่ภัยมีการติเตียนตนเองเป็นต้นได้เนี่ยนะคือก็ไม่ไม่ติเตียนตนเองเป็นต้นเนะี่ยเหมือนพระอาทิตย์ไม่ยั่งลงสู่ความมืดช่นนั้นธรรมดาของดวงอาทิตย์แล้วจะตัวเขาเองเนะี่ยยังไงก็ไม่มืดเนี่ยนะเขาก็จะมีความสว่างศีลก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้ที่มีศีลดีๆหาข้อตำหนิตัวเองก็ไม่ได้เลย อย่างที่เคยกล่าวถึงพระพิสุรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านนั่งในพระจันทร์วันเพนท่านก็พิจารณาดูพระจันทร์วันนี้เนี่ยเป็นวันอุโบสถนะนะสิบห้าค่ำลอยเด่นสว่างสวัยไม่มีเมฆหมอกนะท่านก็ใคร่ครวญว่าออวันนี้พระจันทร์เนี่ยนะบริสุทธิ์ผุดผ่องดีจริงเขาว่าแล้วท่านก็มาคิดดูว่าแล้วศีลของท่านกับพระจันทร์เนี่ยไห น, น, นจะดีกว่ากัน ท่านก็ทบทวนตั้งแต่มนทนอุปสมบทมาเลยใครครวญถึงชีวิตที่ดำเนินมาในการบวชนี่นะนับตั้งแต่วันบวชเป็นต้นเข้ามานะี่ก็บอกว่าหาข้อตำหนิไม่ได้เลยอะ่ะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระจันเหล่านั้ น, น, นอีกท่านก็อาศัยศีลานุสติเจริญกรรมฐานแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันในขณะนั้นเพราะว่าผู้ที่เจริญศีลได้เนี่ยนะตามระลึกนึกถึงศีลแล้วก็ จิตเกิดปีติปราโมทที่เรียกว่าสีลานุสติได้เนี่ยนะวิปัสสนาก็เจริญไม่ยากอันผู้ที่รักษาศีลอย่างดีๆที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเขาสามารถเจริญศีลานุสติได้อะ่ะตามระลึกนึกถึงศีลที่ไม่ขาดเนี่ยนะไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเนี่ยนะศีนที่ไม่ขาดเพราะลาบยศอวัยวะเนี่ยนะญาติและก็ชีวิต น, นะนึกถึงความหมดจดแห่งศีลที่ประพฤติดีมาแบบนั้นแล้วเนี่ยนะ หาข้อตำหนิติเตียนไม่ได้ถ้าภัยเนี่ยเป็นเชื้อของความสะดุ้งกลัวแห่งจิตคือถ้จิตที่เป็นภัยก็คือจิตที่เป็นไปกับโทสะนั่นเองเนี่ยนะถ้าโทสะเนี่ยนะตรงกันข้ามกับศีลเลยแต่ถ้ามีศีลเนี่ยโทสะจะไม่เกิดเนี่ยนะโทสะจะไม่เกิดเมื่อโทสะไม่เกิดความปีติความปราโมทความเอิบอิ่มใจก็จะมีในขณะนั้นอันนั้นเป็นอนิสงส์ของศีลจริงๆเลยเนี่ยนะจะตรงกันข้ามที่ว่า ไ ม, ไม่สบายใจในสิ่งที่เราไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ตรงกันข้ามเลยนึกถึงพฤติกรรมหรือว่านึกถึงชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ปลื้มใจอยู่ตลอดเนี่ยนะแล้วก็ใครครวญผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาอย่างดีแล้วเนี่ยนะบาดฐานที่เกิดจากความสุขความสงบในการพิจารณาศีนี่นะเจริญวิปัสสนาได้แล้วหรือว่าคนที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยนะก็ตามระลึกนึกถึงศีนเนี่ยนะอย่าไปในช่วงนั้นอย่า ซพ่งไปพิจารณาเวทนานะถ้ากําลังเจ็บปวดจริงๆอยู่เลยเนี่ยนะถ้าพิจารณาเวทนาในขณะนั้นโดยมากแล้วเป็นปฏิฆานิมิตโดยมากจะโสธสะทันทีเลยเนี่ยนะก็ให้ไปคิดถึงเรื่องศีลก่อนอย่านะให้สุท่มโนทวารวิถีเกิดก่อนนะไม่ต้องไปสนใจปัญจทวารวิถีเพราะว่าปัญจทวารวิถีจิตถ้าไม่มีอวชนะไม่เกิดถึงแขนจะขาดนะถ้าไม่คิดจะไม่เจ็บคิดเมื่อไหร่ก็เจ็บคิดวันเนื่องด้วยมนสิการ ถ้าหากว่าไม่มนัสิการได้ก็ไม่เจ็บแต่ถ้ามนัสิการไเ้เจ็บนะพวกทวิปัญจานี่เนื่องด้วยมนสิการทั้งนั้นเลยเพราะในช่วงนั้นก็ให้ไประลึกถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะปราบปลื้มใจก่อนมีอะไรบ้างที่ตัวเองนึกแล้วก็มีความสุขหรือว่าสบายใจอันถ้าคนที่เจริญทานกุศลได้เนี่ยนะก็ให้ตามระลึกนึกถึงทานนกุศลก่อน ที่กล่าวนี้ยกตัวอย่างอย่างคนที่ใกล้จะตายจริงๆเลยนะเวทนาปางตายเนี่ยเป็นเวทนาที่ทุกข์ที่สุดในขณะนั้นๆเนี่ยนะถ้าหากว่าเรามาสนใจในปฏิฆาในมิตรไอ้ความเจ็บปวดอันนั้นอยู่เนี่ยนะจิตก็เป็นโทสะถ้าโทสะถ้าจุติล่ะ ไ, ไปไม่ดีแล้วใช่ไหมเพราะในช่วงนั้นเนี่ยนะถ้าเจ็บปวดหน่อยๆแล้วก็ฝึกดูลองเอาเรื่องทานมาตรึกดูเนี่ยนะจิตสงบเป็นไปกับทานไหม เอาศีลมาตรึกดูว่าจิตนี้เป็นไปกับศีลไหมเนี่ยนะก็สลับแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราเกิดเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาลองสลับกับเจริญเรื่องศีลดูที่มันหายไหมคือคําว่าหายในที่นี้แปลว่ามันเลิกคิดเรื่องนี้ไหมมันให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไหมอันนะัก็ฝึกลักษณะนี้ไปมากๆจนกว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดใจก็ไม่เศร้าหมองเนี่ยนะด้วยการเจริญถึงกุศลศีลในลักษณะนี้อันนะัเขาจึงจะเลือกพบภูมิเกิดได้ ทาไม่อย่างนั้นนี่ก็เวลาเจ็บปวดจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าโท่สะขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเกิดวิปปติสารเหมือนอุบาสกคนหนึ่งเจริญอาการ32อยู่เป็น30มสิบปีเกิดวิปปติสารใกล้าตายเนี่ยนะตายแล้วไปเกิดเป็นจระเข้เลยเนี่ยนะเพราะว่ารักษาเจตนาใกล้าตายไม่ได้อันนี้ก็นับว่ามีความสําคัญมากอันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆก็พยายามฝึกไปรับความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลองฝึกตรึกให้เป็นกุศลดูเนี่ยนะ คื อ, อยากจริงๆถ้าหากว่าผู้ใดกำลังเป็นเป็นโรคทางกายเนี่ยครับโอ้ยากจริงๆถ้าเกิดเจ็บปวดตรงไหนนะไม่ต้องมากด้วยไม่ต้องเจ็บปวดมากด้วยยากจริงๆครับอจาจนรย์มันระลึกถึงกุศลนี่ยากจริงๆแต่แต่คงจะต้องทำได้่ฝึกได้ไไไมอชอนี่เขามีสโลแกนที่ข้า ง, งๆว่างไงบาลีเขามีบาลี่นะ อัตตานังธรมยันติบันฑิตาเนีนะเขาบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนเนี่ยนะธรรมยันติเนี่ยก็ย่อมฝึกะบัณฑิตทั้งหลายเขาย่อมฝึกตนก็คือฝึกจิตนั่นเองเนี่ยนะถ้าฝึกไม่สาเร็จเนี่ยนะจะไม่มีนักศึกษาเล็ดรอดมาจากมอชอเด็ดขาดแสดงว่าฝึกถ่านมาหมดเลยนะตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าฝึกไม่ได้เราก็เป็นบัณฑิตไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะสุขติก็ก็หวังไม่ได้เหมือนกันนะถ้าฝึกไม่ได้เนี่ยนะนะ พันถ้าหากว่าฝึกไม่ได้ปุริสธรรมสารทิกับเราเนี่ยดูจะห่างกันมากใช่ไหมพระพุทธเจ้านี้เป็นปุริสธรรมสารทิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าถ้าเราฝึกไม่ได้แสดงว่าเราไม่ใช่ปุริสธรรมะไม่ใช่บุรุษที่สมควรฝึกเัมนกันเน่ยไม่คู่ควรแก่การฝึกสําหรับพระผู้มีพระภาคงเราผมอยากจะเรียนถามนักศึกษาที่นี่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ครับ รู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่ใกล้ชิดคนไข้โดยเฉพาะอาชีพพยาบาลระดับอาจารย์เนี่ยท่านลองอธิบายที่ว่าไอ้คนที่จะตายโดยที่เวทนาไม่แรงกล้าเนี่ยมีบ้างไหมคือตายอย่างสบายมีบ้างไหมครับหรือว่าถ้าตายแล้วทุกขเวทนามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องเป็นทุกคนหรืออย่างไรครับคือบางทีเราเรามองไม่เห็นตรงจุดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนที่ทำนั้นอยู่ในะห้องไอซียูของานคงไข้าบางทีก็ไม่รู้สึกตัวไปแล้วแต่ว่าถ้าคงไข้บางทีคงไข้ก็เจ็บปวดอะไรเนี้ยมาก นะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้สึกตัวไปแล้วก็เราก็วัดสัญญาณชีพไปว่าคนไข้จะอย่างเช่นบอกแพทย์บอกว่าคนไข้คนนี้เลิกช่วยแล้วนะแต่ว่าเครื่องมือก็ยังมีอยู่หมายความถ้าหากหยุดหายใจหัวใจไม่เต้นแล้วไม่ต้องไปตามเข้ามาเพราะว่าก็คงไม่ช่วยแล้วคนไข้คนนี้ต้องตายอย่างนี้คนไข้พวกนี้ก็ คงไข้เป็นไข้ที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็สัญญาณชีพก็จะค่อยๆลดลงจนกระทั่งตายไปอันนั้นเราก็ไม่ได้เห็นว่าคงไข้เขาเจ็บปวดอะไรนะคะแต่ว่าก็มีคงไข้าบางคนที่คไข้ยอย่างไข้ระบบประสาทอักเสบมาอะไรนี่คงไข้าบางทีนี่ดิ้นจนกระทั่งก็ตายก็มีนะคะขออนุญาตครับเท่าที่ <S <S ประสบนะครับ คนไข่บางรายนั้นจะทรมานมากนะจะดิ้นทุรนทุราอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากนั้นจะสงบนะแล้วก็สิ้นใจไปในเวลาหลังจากนั้นไม่นานนะก็แสดงว่าอาการที่ป่วยเจ็บนั้นเป็นอาการที่ผู้ที่ อามาที่ฝึกฝนนั้นจะทรมานมากแต่อย่างไรก็ตามบางรายนะครับโดยเฉพาะคนที่สูงอายุนะครับบางทีเขาไปด้วยความสงบนะเราเฝ้าดูเป็นชั่วโมงๆก็ไม่มีอาการทรนทุรายอย่างใดแต่ก็มีอีกรายหนึ่งนะครับท่านอยู่ที่บ้านหุชารา อายุ98ปีเกิดเคยประลบให้ฟังว่าถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นนั้นการที่จะทำจิตให้สงบมันยากมากครัขณะท่านอายุ98ปีนะครับเป็นผู้ที่บัดทรมานานแม้แต่อาหารนะทานอาหารมาสุรทตั้งแต่อายุ16ปนะีมาเจอครั้งสุดท้ายบอกว่าเอาพันตอนนี้ อาหารก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยแข่งเท่าไหร่นะครับนะเอาเป็นไงมั่งทานไงบอกว่าบางครั้งก็ต้องเขียวมั่งเป็นธรรมดาอะไรเงี้นะก็นึกดูว่าคนที่ระดับนอนท่านปฏิบัติแล้วนะฮะถ้ามีเวทนาแล้วก็ยังยากนะครับก็คงจะต้องเป็นปนัญหาที่จะน้ำสการถามนะครับก็มีอีกราหนึ่งนะครับฮนะที รู้ตัวนะครับว่าทนไม่ไหวแล้วนะจะต้องลาแล้วน้ฮะอันนี้ก็มีนะครับแต่มีบางรายที่บาดเจ็บทรมานมากนะแล้วก็หมอก็แนะนำว่าจะให้ยาแค่ปวดเจ็บลดลงจะดีไหมอะไรนะถ้าคนไข้เขายอมนะเขาก็ฉีดยาให้ก็พินานั้นก็ ลดลงไปแต่ถ้าในรายนี้นะครับถ้าเขาได้ศึกษาธรรมะเขาคงจะทําจิตให้สงบได้นะแต่คงจะต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วเพราะว่ายาที่ฉีดเข้าไปนะั้นะนะแป๊บเดียวนั้นะนะนะนะนะก็หมดความเจ็บปวดแล้วแต่ความรู้สึกจริงจรก็คงจะหายไปอย่างรวดเร็วด้วยนะทีนี้ได้ฟังพสูตรหนึ่งจากที่พระอาจารย์เคยบรญญัตให้ฟังนะครับดูเหมือนจะเป็น พระสุองหนึ่งแล้วก็อนาถบิณฑิกาเศรษฐีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ท่านบอกโอ้กับผมทรมานมากนะแล้วก็การเจ็บปวดของผมนั้นนะคล้ายคล้ายกับมีห อ, อกมาทิ่มมาแทงมีคนแข็งแรงเอาเชือกสองเส้นมารัดให้ผมนะผมทนเวทา น, านานี้ไม่ได้นะตอนหลังออองถ้าเป็นพระองค์นั้นท่านถึงกับขออาวุธเพื่อที่จะปริชีพตนเองนะครับส่วนอนาถิณฑิกเศรษฐีนั้นก็ได้ฟังธรรมมาจาก ภาษาริบุตแล้วก็พระอานนท์ตอนหลังก็เวทนาก็คงจะลดลงไปนะครับก็มาถึงคำถามที่ว่าอันในรายที่บาเดเจ็บมีเวทนาอย่างยิ่งแล้วก็คุณหมอช่วยนะให้ใคลายความเจ็บปวดนั้นสามารถที่จะทำจทาจให้สงบได้หรือไม่ถ้าคนนั้นได้รับการศึกษามาพอสมควรจะทันหรือไม่นะฮะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับขนาด อนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็ภิกษุองค์หนึ่งนะครับซึ่งปฏิบัติธรรมมามากนะครับก็ยังไม่สามารถจะทนเวทนาด้วยอย่างนี้จะเป็นเพราะมิบากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้เจ็บปวดจนทนไม่ได้อย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับผมครับพระพุทธพจน์ใช้คําว่าเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเหมือนกัน ก็รู้ชัดว่าสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดงั้นคือหมายคำว่าการเจ็บปวดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะเอ่อเท่าที่ฟังมาเพราะว่าคนที่ใกล้จะตายโดยมากแล้วนะเตโชธาต์มันค่อนข้างทำงานเต็มที่เลยอะ่ะ เ, เมื่อเตโชธาต์ทำงานอย่างเต็มที่นี่นะร่างกายก็จะร้อนเหมือนกับถูกย่างสดอะ่นะมันจะร้อนหมดตัวทีนี้ไอ้ลมที่ไปเสียดแทงศรีรษะเนี่ยก็เหมือนกับ เชือกที่เอามาเชือกนักมวยใช่ไหมมาสวมแล้วก็เอามาขันชนะอ่ะขันรัดเข้ารัดเข้ า, ร, ขารัดเข้าเนี่ยนะศีรษะก็จะปวดแบบนั้นท้องก็จะปวดท้องเนี่ยนะเหมือนกับคนเอามีดฆ่าโคนเนี่ยนะมาควานท้องอะ่ะคล้ายๆพวกซามูไรทั้งหลายแหละควานท้องแบบนั้ น, นร่างกายก็จะเร่าร้อนเนี่ยนะะในช่วงนั้นเนี่ยนะจิตเนี่ยพร้อมที่จะนึกถึงอะไรก็ได้เนี่ยนะ อันอารมณ์นั้นเนี่ยนะในอารมณ์ในอดีตก็ได้โดยเฉพาะนึกถึงความรู้สึกนึกคิดในอดีตมาถ่านนึกถึงความรู้นึกคิดในอดีตอันนี้เรียกว่ากรรมอารมณ์นึกถึงบางคนเนี่ยในขณะนั้นก็จะมีภาพปรากฏเลยอย่างคนที่ทำบาปเยอะๆเนี่ยนะเปลวไฟมันจะมีเหมือนกับเห็นแต่ไฟตลอดเลยไฟเนี่ยลุกท่วมตลอดก็บ่งทึงว่าคตินิมิตนี้ไม่ค่อยดีแล้ว บางคนก็เหมือนกับว่าสุนัขทั้งหลายแหละเนี่ยมารุมมาทึงเนี่ยนะตลอดอันนี้ก็คตินิมิตเหมือนกันอันในขณะใกล้จะตายนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ดูแลอยู่ใกล้ๆเนยเขาฉลาดแนะนาก็ไปสุขติได้นะอันนั้นหมายถึงนิมิตของคนที่จะไปไม่ดีนะเมื่ อ, อทางกายก็ทุกเ ว, เวทนาแ ล, ล้วล่ะแต่ว่าในมโนทวารวิถีก็จะมีภาพที่เรียกว่าคตินิมิตเนี่ยปรากฏขึ้นเนไ เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสภาพอันนั้นเลยนะก็บอกว่าคนที่ใกล้จะตายเนี่ยนะได้รับคตินิมิตเหมือนคนมีตาทิปอะเหมือนคนมีทิประจักษ์สูอะซึ่งสามารถมองเห็นบรรยากาศไอ้ที่ที่จะไปได้อย่างชัดเจนมากอันะในในช่วงนั้นจริงๆถ้าหากว่ามีคนใกล้ชิดแนะนำก็สามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ได้จากทุคตินิมิตเนี่ยนะเป็นสุคตินิมิตได้ แต่ถ้าหากว่าบางคนที่ชอบคิดถึงเรื่องในอดีตบ่อยๆเนี่ยนะว่างๆก็เก็บเรื่องที่ไปไม่สบายใจยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มหรือว่าไปทําอะไรมาแล้วก็เก็บเอามาคิดเรื่อย ๆ, ๆประเภทนี้จะเป็นกรรมมณิมิตนะอันนี้ก็น่าน่ากลัวเหมือนกัเนเห็นไหมแล้นถ้าหากว่าทํายังไงเราฝึกฝึกตั้งกต้นเนี่ยนะให้เป็นกรรมมณิมิตประเภทศีลานุสติอย่างที่ว่าไปเนี่ยเนหะ็นไหมฝึกตรึกถึงศีลบ่อยๆด้วยการ ตารบศีลให้มากๆแล้วก็ตามระลึกนึกถึงศีลแทนะให้เป็นศีลานุสติศีลานุสติก็จะมีศีลในอดีตนั่นแหละเป็นอารมณ์ศีลที่เคยรักษามาที่ไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยศีลเหล่านั้นเนี่ยนะก็เรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์อันนัอันนี้ก็ไปดีเลยเพราะคนที่มีศีลเนี่ยนะศีลเลนะสุขติยันตินี่ก็หวังได้อยู่แล้วนี่เป็นอันิี้ส์ของศีลตรงๆของเข้าเลยแล้วคนที่ตามระลึกนึกถึงศีลได้เนี่ยนะศีลการตามระลึกเนี่ย จิตที่ตามระลึกนะโดยมากเป็นมหากุศุประเภทโสมนัสเนี่ยนะถ้าท่าถ้ารักษามาดีแล้วนะเมื่อนึกถึงศีลของตัวเองเมื่อไหร่ก็จะนึกด้วยจิตที่เป็นมหากุศุประเภทโสมนัสทีนี้ปีติมันจะหล่อเลี้ยงไงเนี่ยนะปีติที่เกิดขึ้นอย่างสืบเนื่องก็จะหล่อเลี้ยงได้เนี่ยนะนผู้ที่อบรมเรื่องของการเจริญวิปัสสนามาเป็นอย่างลีแล้วเนี่ยนะ เจริญตีรณปริญญามาอย่างช่ชําชองเลยเนะีเมื่อจิตสบายขนานั้นเขาก็พิจรารณาธรรมะเหล่านั้นได้อย่างผู้ที่เจริญอนุปัสนาเป็นเนี่ยนะเทงกับอย่างพระช น, นะเนี่ยนะพระชนนะที่เอาศาสตรามาฆ่าตัวตายเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านนึกว่าท่านเป็นพท่ารหารแล้วเพราะความที่ท่านเจริญอนุปัสนาอย่างช่ชําชองเนี่ยนะีทีนี้ท่านก็เอามีดเนี่ยมาตัดมาตัดคอไอ้ความที่มันเจ็บปวดมากก็เอามีดเนี่ยมาปาดคอเลย ขณะที่ปาดคอนี่คตินิมิตรปรากฏเลยอพอคตินิมิตรปรากฏปั๊บท่านรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างเลยก็สังเวชใจแล้วก็เจริญวิปั ส, สนาตรงนั้นแหล ะ, ะนะลําดับมรรคก็สามารถว่าเกิดขึ้นพิจารณาเจริญวิปั ส, สนาโสดาปติมรรคเกิดผลจิตเกิดปัจเวคขณะยานเกิดแล้วก็สลับกับการเจริญวิปั ส, สนาใหม่สกทาคามิมรรคเกิดปัจเวคขณะยานเกิดอีกครั้งหนึ่งก็อย่างเงี่ยไปเรื่อย จนถึงอรหัตตมรรคเกิดพิจารณามรรคผลนิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วจุติจิตเลยนะนี้เสี่ยงที่สุดเรียกว่าชีวิตสมะศีสีเขาว่ากันเป็นธาตุฐานประเภทชีวิตสมะศีสีแล้วก็ปรินิพพานเลยอย่างพระชนะเนี่ยนะกับพระอีกองค์หนึ่งก็เหมือนกันที่พยามานตามค้นหาวิญญาณให้ว่อนเลยนะว่าไปเกิดที่ไหนดีองค์นี้อันนั้นก็ฆ่าตัวตายเหมือนกัน ใข่นะที่ที่จะตายเนี่ยบางบางคนก็รู้สึกจะรู้ตัวนะฮะว่าวัดตายแน่คราวนี้ยังยังญาติของผมเนี่ยยังยังพี่เคยผมตอนที่แกแกเป็นมะเร็งฮะแล้วก็รักษามาตั้งนานแล้วก่อนที่จะตายมะเร็งในหลอดลมเนี่ยก่อนที่จะตายแกรู้ตัวครับจะรู้ว่าเอ๊ะคราวนี้เนี่ยไปแน่นะแกก็เรียกภรรยาแกเรียกพี่สาว กานี่ก็ไปนะแล้วก็แกก็พูดอะไรไม่ซ้ำแกฝากฟังอะไรไม่ซาำนะฮะแล้วแกก็ท่องครับพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆแล้วก็เสียเลยครับแล้วแ ก, กเคยบวชมาก่อนบวชเป็นมหามาก่อน <c oughs> นะแกท่องแกท่องไม่กี่ทีนะแล้วก็กไปแกบอกไปแล้วนะแกแกลาแกลาพี่สาผมอะแกลาเอาจริงพี่ไปแน่นนะใคล้ยๆจะรู้กันนะ ทั้งทั้งที่ไม่ได้เข้าโค ม, ม่าเลยนะฮะแล้วก็กท่องดังๆพูดโทรนะทำโมสังโคนะอะไรอเงี้ยเตไปเลยก็มีคนหนึ่งก็คือทวดทวดเป็นทวดตรงๆกับที่พิจารณ์เนี่ยแล้วก็เป็นถ้าก็ของมามาก็นับถือว่าทวดเหมือนกันแต่ก็บอกว่าช่วงก่อนจะตายเนี่ยมันร้อนหมดตัวเลยเนี่ยนะก็บอกว่าเขาใช้สำนวนเขาว่านี่มันลมมันกรรมชวาดเขาว่านะแต่ที่จริงสั์คําว่าลมกรรมชวาดใช้กับคนจะคลอด แต่ว่าตรงนี้ความที่แกมใช้สับไม่เป็นเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเจ็บปวดเนี่ยนะมันเฮือกอ่ะคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับมันเกร็งหมดตัวนะมันก็เหมือนกับเฮือกสุดท้ายหลายๆครั้งอะ่ะแล้วก็มันลมอันนั้นมันก็ผ่อนเมื่อลมอันนั้นมันผ่อนมาเนี่ยก็บอกว่าครั้งนี้ายายตายแน่นะนะญาตายแน่เพราะฉะนั้นมีอะไรจะแนะนํายายก็แนะนําตรงนี้นะอ่านะไม่ว่ายายอารหังซิอารหังก็ท่องเลยอ่านะ ก็แนะนําให้ท่องอรหังท่องนั้นแล้วก็อีกพักหนึ่งก็สิ้นใจ mm hmm. แต่ว่าไ อ, ไอ้ก่อนจะตายเนี่ยเขาที่ทวดเล่านะตามตามที่เขามีประสบการณ์ว่ามันก็จะร้อนหมดตัวจริงๆเนี่ยนะบางคนก็สิ้นในช่วงนั้นไปเลยบางคนก็จะลมนั้นผ่อนไประยะหนึ่งแล้วก็จึงจักสิ้นใจงนั้นในในโอกาสอันนั้นเนี่ยนะกาลังกตวากโรติหรือไม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคำว่า ทำกาลกิริยานั้นเนี่ยสำมุลโฮไหมว่าหลงหรือไม่ก็ในช่วงนั้นว่าความคิดของเราจะเป็นไปกับอะไรนั่นแหละเพราะนั่นก็คือบ่งถึงคติที่ไปในเบื้องหน้าเพราะว่ามันเหมือนกับในหน้าจริงๆเลยนะความคิดใกล้จะตายน่นะสามารถที่จะชักเราไปไหนก็ได้ชาวนะก่อนจะตายนั้นมรณาสันนวิถีทั้งหลายแหละนั่นแหละเป็นเหมือนนายหน้าที่จะไปดึงอปปรา ป, ปิยะเ จ, จตนาในอดีต แม้แต่แสนโกรธกลับมาพาปฏิสนธิก็ได้เนี่ยนอะอภราร ะ, ร ะ, ระเจตนาเอ่ยจิตที่ใกล้จะตายอันนั้นเนี่ยไปดึงกรรมในอดีตเมื่อสักสิบยี่สบสามสิบหรือว่าชาติที่แล้วมาให้ผลปฏิสนธิก็ได้หรือว่าจะให้ดึงเอากรรมในชาตินี้ให้ผลก็ได้เนี่ยนะในในจิตใกล้จะตายเนี่ยนับว่าสําคัญมากพบใหม่ต่อไปอแต่ว่าพบใหม่นั้นว่าช่วงขณะนั้นจะ ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตรงนี้แหละเนี่ยนะว่าเราฝึกในช่วงนี้ว่าเราฝึกเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยนะถ้าฝึกให้จิตเป็นไปกับกุศลไม่ได้อันนี้ก็ลําบากแต่ในกระบวนการเหล่านั้นก็อย่าลืมว่าพระธรรมเท่านั้นแหละจะแนะนําเราทั้งหมดแล้วนะถ้าเรามีศรัทธาว่าเรามีภัยจริงๆพระธรรมเหล่านี้ช่วยให้เราพ้นภัยได้จริงๆโดยที่เรามีพระรัตนตรายเป็นสารณะที่เหลือพระธรรมจะแนะนําเราหมดเลยขอให้เรามีพระธรรมเป็นสารณะจริงๆเถอะเนี่ยนะว่าเมื่อเกิด กระทบกับอารมณ์ใดๆนะถ้าศึกษาคําสอนมาดีแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าไม่มีอารมณ์ใดที่พระธรรมไม่ได้กล่าวถึงเลยเห็นไหมเพราะว่าศึกษาถึงหรือเปล่าเท่านั้นเองเห็นไหมว่ามีสาระหรือ ว, ว่ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างแท้จริงก็ไม่น่าเป็นห่วงเลยเห็นไหมเพราะว่าสัตว์ที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสาระเนี่ยนะก็บอกว่ายังไงก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่าั้ ถ้าเกิดว่าใครมาบอกเออนี่ท่องอารหังไว้นะแล้วผู้นั้นมีความเข้าใจอารหังนะั้นหนึ่งนะผู้ไกลจากกิเลสผู้ทำลายข้าศึกคือกิเลสผู้ทำลายสังสา ร, รจักรได้เนี่ยหากสิกรรมแห่งสังสา ร, รจักรเป็นผู้ที่สมควรได้รับปัจจัยเป็นผู้ที่ไม่ทําบาปในที่รับท่าจะดีนะครับตอนนี้นะครับจะละแล้วช่วงนั้นนะ<ม>ก็บอกว่าเขาจะเห็นคุณค่าของพระธรรมะตรายจริงๆเลยนะ ในในช่วงใกล้จะตายนี่ยเขาบอกว่าคนใกล้จะตายนะฟางเส้นเดียวก็จะยึดเหมือนกันแน่นอนะอย่างที่วันก่อนอาจารย์มาเล่าให้ฟังใช่ไหมน่าจะไปดีเหมือนกันนะก็าการสงบเลยที่ถามนี่วันหนึ่งอห็นไไปถามถึงว่าญาติเขาเนี่ยเป็นมากแล้วนะเต็มทีแล้วแหละจะให้เราแนะนําแนะนําเขาหน่อยว่าเขาควรจะไปทํำยังไงที่เราแนะนําไปว่าให้ไป ใ, ให้เขาถึงตายสารณคมนะแล้วก็ให้สมาทานศีน แล้วก็ให้มันตามระลึกแบบนี้มากๆก็วางกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็บอกว่าไปด้วยอาการอันสงบเหมือนกันก็อันหลังจากนั้นก็มาเล่าให้ฟัง